เรื่องที่สิบผู้ก้าวพ้นเปลือกตมในกรุ่มตัวเกียวสมัยที่เพิ่งผ่านไปไม่ถึงร้อยปีมานี้ยังมีพระภิกษุทรงวิทยาคุณเป็นเจ้าของเรื่องราวที่พิสดารทำอะไรอะไรไว้อื้อชาวหลายอย่าง เหมือนหลวงพ่อโตในเมืองไทยสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อตันสันหลวงพ่อตันสันมีลูกสิธิ์ลูกหาเป็นคนสมัยใหม่มากมายเพราะท่านทรงความรู้สูงและมีคุณธรรม ท่านบรรยายวิชาปรัช ญ, ญาในมหาวิทยาลัยอิมพ r เรียลยุคนั้นวิชาความรู้ทุกอย่างที่ท่านถ่ายทอดเผยแพร่ล้วนเกิดจากการเข้าถึงธรรมท่านใช้ความแตกฉานในคำพีต้นตำรับมาประยุกเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่จึงแพร่พระธรรมได้เป็นอย่างดีในเวลานั้นมีคราวหนึ่ง ท่านชวนเพื่อนภิกษุอีกองค์หนึ่งออกเดินทุดงพระรูปนี้ชื่อเอกิโดท่านเอกิโดมีความรู้ดีและเคร่งครัดยุ่มยิ้มในระเบียบแบบแผนฉะนั้นจึงมากไปด้วยวิตกกังขาที่ต้องมัวมาระแวดระวังเรื่องอะไรอะไรไปเสียทุกอย่างเกี่ยวกับความผิดความถูก อาจารย์ตันสันก็มองเห็นเครื่องกลางกั้นใจของเพื่อนสหธรรมิกองค์นี้เหมือนกันท่านรู้ดีว่าความรู้อันมากมายที่ยังไม่เป็นประโยชน์แก่ดวงจิตของเพื่อนผู้นี้มันเนื่องจากอะไรท่านคอยช่องจะแก้ไขอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาอันควรระหว่างเดินมากลางป่าในวันหนึ่ง สองคนได้เดินมาตามทางเดินซึ่งฝนเพิ่งตกหนักไปเมื่อครู่พอมาถึงตอนลาดต่ำแห่งหนึ่งตรงนั้นมีโคลนเฉื่อยะฉยังไม่แห้งภิกษุทั้งสองก็เห็นหลังผู้หญิงคนหนึ่งกําลังพยายามจะก้าวข้ามแต่ยังเกๆ ก, กังกังข้ามตรงที่แฉนั้นไม่ได้เพราะเธอแต่งตัวภูมิฐาน สวมกิโมโนทำด้วยไหมและเครื่องคราเต็มยศก่อนที่ท่านเอกิโดจะทันได้แปลกใจเสียด้วยซ้ำว่ากลางป่าทำไมเกิดมีผู้หญิงเอวบางร่างน้อยเดินอยู่คนเดียวเช่นนั้นซ้ำแต่งตัวก็ไม่ถูกกับกาละเทศเสียด้วยท่านใดนั้นท่านเอกิโดก็ถึงกับปากอ้าตาค้างที่เห็นท่านตันสันเพื่อนที่มาด้วยกัน ก้าวสวบสวบล่วงหน้าไปอาสาอุ้มหญิงสาวคนนั้นข้ามตรงที่แชกเหตุการณ์ดำเนินไปชั่วครู่เดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมดาคือสหายร่วมเดินทุ ด, ดงทั้งสองก็คงเดินทางต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย ไม่มีใครปริปากพูดจากันเหมือนก่อนหน้านี้ภายในใจของคนเหล่านั้นเมื่อเงียบกันไปก็ไม่สามารถรู้ในห่าใจของใครจะคิดจะว้าอุ่นไปอย่างไรด้วยเรื่องอะไรฮิกสูทั้งสองก็คงเงียบกันไปตลอดทางจนถึงเวลาหยุดพักในตอนค่ำวันนั้น พอจัดเตรียมเรื่องที่พักผ่อนเสร็จแล้วเสียงบ่นพร่ำของท่านเอกิโดก็หลุดจากปากออกมาหลังจากได้กลั้นใจไม่ปริปากอะไรมาเกือบครึ่งวันท่านพูดด้วยความลำบากใจตะกุกตะกักไม่เต็มเสียงในเชิงตัดเพาะท่านตันสันว่าพวกเราเป็นพระเป็นสงแล้วไม่ต้องเข้าใกล้ผู้หญิงจะดีกว่า ยิ่งเป็นผู้หญิงสาวสวยเสียด้วยมันยิ่งจะเป็นอันตรายแก่พวกเรา ท, ท่านทำไมไปทำอย่างนั้นก็แม่อาจารย์ตันสันจึงเอ่ยทักขึ้นว่าผมวางเด็กนั้นที่ตรงนั้นมาตั้งเมื่อกลางวันแล้วท่านยังจะมาเที่ยวแบกเอาไว้อีกหรือ คอยคำย้อนให้โดยท่านแก่เหตุเพียงเท่านี้ผลก็คือทำให้ท่านเอกิโดโปรงแจ่มแจ้งขึ้นทันทีตัวท่านเองโดยทางร่างกายท่านได้ข้ามเปือกตมที่ชื้นแฉะตรงนั้นมาเมื่อตอนกลางวันวันนี้แต่โดยทางจิตท่านเพิ่งมาข้ามเปือกตม เรื่องกลางกั้นเรื่องจุกจิกหัวใจได้ตรงณที่พักเวลากลางคืนคืนนั้นนั่นเองนิทาน ก, จก่จดจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ผู้แปลถ่ายทอดเห็นเหมือนกันว่าท้องเรื่องเป็นเรื่องค่อนข้างจะพิลึ ก, กึกือ จนบางคนอาจเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องเล่ากันเล่นเ่นหรือไม่ก็อาจมีคนบางคนแปลเจตนารมของนิทานนี้ไปในทางขัดต่อความรู้สึกนึกคิดของพุทธบริษัทในเมืองไทยผู้แปลถ่ายทอดจึงพยายามทำความเข้าใจและสแสวงหาเรื่องประกอบก็ประจักษ์ใจว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อตันสันองค์นี้มีตัวตนอยู่จริง ท่านมรณาภาพเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2435ที่ได้ทราบวันตายของท่านแน่นอนเพราะท่านได้เขียนไพรสศนียบัติทิ้งถึงลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เคารพรู้จักท่านจำนวน60ฉบับข้อความในปรสศนียบัติเขียนลงวันที่ตรงตามวันที่ท่านจะมรณาภาพ ใจความเหมือนกันหมดทั้งหกสิบฉบับว่าฉันจักละโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของฉันเซ็นชื่อตันสันแล้วลงวันกำกับตรงกันทุกฉบับตามประวัติท่านก็ได้มรณาภาพในวันนั้นจริงๆเป็นที่ตื่นเต้นของผู้ที่ได้พบเห็น และกิตติศักดิ์เรื่องลือไปมากหลังจากท่านล่วงลับไปตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ทำอะไรอะไรเป็นปริศนาปริศนาเอาไว้แต่เวลานั้นไม่มีใครสนใจมีแต่นับถือท่านในฐานะเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาที่สามารถสอนในมหาวิทยาลัยได้เท่านั้น โดยมากรุมกันนับถือก่อนเนื่องโดยเห็นคนชั้นสูงที่มีการศึกษาดีเขานับถือกันไม่ได้ใส่ใจว่านอกจากท่านจะแตกฉานทางปรัชญาแล้วท่านยังทรงวิทยาคุณซึ่งคนสมัยใหม่มักเห็นว่าจะไปกันได้อย่างไรในเมื่อคนคนเดียวมีทั้งริธานุภามีทั้งปฏิสัมพิธา เช่นเนรมิตหญิงสาวเพื่อโปรดใครสักคนหนึ่งและในเวลาเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งของมหาวิทยาลายัยอิ p พ r เรียลแห่งกลุมโตเกียวให้รับภาระเป็นศาสตราจารย์ในวิชาปรัชญาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยหลักวิทยาการสมัยใหม่มามากต้องมากแล้วทีนี้ก็มาถึงลักษณะคำคม ที่เสมือนดังลูกสอนปล่อยออกจากแหล่งได้พอเหมาะพอเจอ่อในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งจิตใจยังไม่ว่างจิตใจกำลังพกเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีธรรมดาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมาบทเคี้ยวเอื้องไม่รู้จักสิ้นสุด พอท่านเอกิโดกำลังจิตวุ่นซ้าสุมมายังหนักแปรถึงที่สุดพอหลุดพ้นออกมาทางวจีทวานอาจารย์ตันสันก็ชฉวยจับจังหวะเหมาะได้ทันทีว่าจิตของเพื่อนกำลังเต็มอัดอยู่ด้วยเรื่องจุกจิกเป็นความคิดปรุงแต่ง มัวเฝ้าผวงแต่เรื่องที่ควรจะขาดไปจากสานึกเสียนานแล้วท่านอาจารย์เลยทักขึ้นให้เพื่อนรู้ตัวว่าผมได้วางหญิงเสียที่ตรงนั้นนมนานตั้งเมื่อกลางวันนี้แล้วท่านเองยังจะมามัวนั่งแบกความรู้สึกว่าหญิงสาวสวยคนนั้นหญิงสาวสวยคนนั้นอยู่อีกทำไม เรื่องนี้ช่างไปพ้องกับเรื่องราวในนิทานฝ่ายเทรวาดพวกเราที่เล่าว่าพระเทระองค์หนึ่งเป็นผู้ถือเคร่งครัดจัดในระเบียบวินยัยทั้งเป็นผู้มากไปด้วยความวิตกกังวลระแวกระวังหยุ่มหยิมชนิดที่ทีลอดตาช้างหางลอดตาเลนพระเทระองค์นี้ไม่คานึงถึงเรื่องจิตเศร้าหมอง และลืมกลัวความที่จิตเกิดเศร้าหมองเพียงบังเอิญไปทำต้นตะไคร่น้าหลุดถอนจากตะลิง่งตัวเองก็กลับนําเอามาเก็บไว้ในใจปล่อยให้ใจเศร้าหมองไปโดยตัวเองสมัครจะผูกใจไว้ว่าตัวเองผิดวินัยไปจนตายเมื่อตายแล้วก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองผูกใจไว คิดกับเรื่องที่เล่าข้างต้นนี้อยู่หน่อยก็คือไม่มีใครช่วยพระเถระองค์นั้นไว้ได้ก่อนที่จะตายดูเอาเถิดท่านทั้งหลายจิตของคนเหล่านี้มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่กายสิทธิ์ความเกาะติดแน่นก็อาจมีที่ตรงนั้นความปล่อยไม่ยึดพัวพันนุงนาง ก็อาจมีขึ้นได้ในเวลาถัดมาอย่างกระชั้นชิดชั่ววาระจิตเดียวณนะที่ตรงนั้นหากใครก็ตามได้ศึกษามาอย่างถูกทางว่าจิตนี้มีธรรมชาติยึดถือและมีธรรมชาติคลายความยึดถือได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นนี้คนนั้นก็จกไม่มีอุปทานย้อนย้ำ ให้ตัวเองรู้สึกอยู่เรื่อยว่าจิตนี้มันเศร้าหมองอยู่ทั้งตาปีตาชาติเราจำต้องค่อยๆฟอกให้ใสสะอาดจนถึงขั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่นึกย้ำโดยเข้าใจธรรมชาติของจิตถูกแล้วเขาจะมีทางทําจิตให้ว่างเมื่อไรก็ได้ ทุกครั้งสติรำลึกขึ้นว่าจิตวุ่นมาอย่างชุลมุนชุลเกแล้วทันทีที่เขาฉลาดก็จะเพิกเสียได้เขาจะขจัดความมืดมัวของจิตที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ไปได้อย่างฉับพลันโดยไม่ต้องกลับมาตามนึกย้อนอีกว่าได้ปล่อยจิตให้พิโยคพิเกณฑ์ไปนานกี่มากน้อยแล้ว เรื่องยึดมั่นถือมั่นของคนเรานี้ถ้าใครคำแม็งมั่นคงในสิ่งใดเรื่องใดจริงจังมันจะกลายเป็นทิฏฐิวิปริตนานเข้าจะมาในรูปเป็นคนหยุมหยิมเที่ยวละเอียดละอ้อรอบคอเคร่งครัดไปในเรื่องที่เป็นเพียงพลละความไม่สนใจเกี่ยวกับใจความสาคัญ เข็มที่มุ่งไปยังที่หมายอันแท้จริงกอกแว่งมีความคิดแต่ที่จะเข้ากับหลักเกณฑ์เดิมๆของตัวเองหากเป็นพระเนนกอมักคว้าเอาระเบียบแบบแผนจนกลายเป็นคนเศร้าหมองเสียเรื่อยเพราะตัวเองระมัดระวังไม่ไหวในประวัติพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีทะเลาะกันจนลืมไปว่า พระพุทธเจ้ามีอยู่ที่นั่นทั้งองค์นั่นเป็นเพราะยกตนข่มท่านด้วยเรื่องเคร่งครัดไปคนละทางคราวใดหากใครมีความรู้สึกว่ามีถูกมีผิดขึ้นจริงๆด้วยความยึดถือแน่ใจแล้วคราวนั้นแหละพึงรู้เถิดว่าจิตของตน ยังไม่ออกจากบ่วงบาดอันแน่นเหนียวของอุปท า, านความจริงที่มันมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนก็คือว่าจิตนี้มันจะหลุดออกจากเครื่องพันธนาหรือมันกำลังอยู่ในขณะแห่งการผัวพันกับโลกียารมเท่านั้นเอง